การ น, นั่งภาวนาก็จุดประสงค์ก็ต้องการให้ใจของเราสงบเพื่อให้เข้าถึงสาราธรรมคือธรรมไม่ตายมายถึงสติสมาธิปัญญาการทำบุญนั้นพวกเรารู้กันอยู่ว่าโดยย่อ ก, ก็ mm. ก็ให้ทานรักษาศีนลนักเจริญภาวนาเพรศีลสมาธิปัญญา mm. นั่นละเป็นธรรมสำหรับนำให้ข้ามพ้นชาติชลาพยาธิมรณ ะ, ะหรือเป็นธรรมนำให้ข้ามพ้นจากความแก่จิตตายเป็นธรรมนำให้เราพ้นทุกข์ทั้งบวกคนเราแต่ละคนเกิดมามันมีทุกข์แต่มนุษย์นั้นเจือปนด้วยสุขและทุกข์เจือปนกันไป แต่พวกเรานี่ยปรารถนาจะจะเอาสุขอย่างเดียวไม่ปรารถนาเราไอ้กองทุกหรือความทุกความยากทั้งหลายเราไม่ปรนนารถกกันไม่ได้ยกมืออธิษฐานเอาแต่ว่าความสุขความเจริญหลับยกมืออธิษฐานขอให้มีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ในการให้พรกันก็ให้อย่างนั้น ขอเธอจงมีความฉุกความเจริญมีเวรมีภัอยอันตรายแต่ได้ก็อย่ามีต่ำาจไม่ปัดใจจากเสีอซึ่อภัยระเวนว่าใปกบอกแต่ถึงด่านนั้นมันก็ยังมีมีทมุกข์ยากลำบากมีเวรมีภัยมีอันตรายดีอย่างนะัง้นทั้งๆที่เราไม่ปัดถนาทาั้งๆที่เราไม่ต้องการกัน แต่ความสุขความเจริญล้ปัตนาเอาปัตนาเอาปัต น, า, า, น า, ามันก็ยังมันก็มาได้อยู่ดีมีแต่ปัตนาเอาพรให้พรก่อให้พรเพื่อจะให้เรามีความสุขแต่ถึงกขนาดก่อนไม่ได้ในหลักอันนี้ละ่ะพวกเราจงทำเมื่อห้ดีว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันขึ้นถูกที่การกระทําของคนไม่ใช่เป็นการอ่อนวอนหรือเป็นการให้กันได้แต่เราให้ให้กันไปก็ต้องเพียงจะให้กําลังใจกันให้กำลังใ จ, ใ ห, ใ, จให้มันเป็นไปอย่างนั้นแค่นั้นถ้าถึงบางอย่างถ้าพรดีิจา่าพระองค์ก็ให้ให้พรนี้จะให้ต่อ บางอย่างมาันสกปรกแต่พออาศัยพลังใจพลังสมาธิของท่า น, นนั่นให้กันพาหนึง่งพานางสุ ป, สปวารสาซึ่งเป็นแม่ของพระชิวรีที่เรารู้กันศิวรีนะเป็นผู้มีลาบมากล้วก็สร้างลูกชิวรีขึ้นมาก็ให้คนบูชา คนใดมีเสวยดีก็จ ะ, จะร่ำจะรวยก็เออถ้าเสวยดีท่านรวยก็เลยอยากจะรวยอย่างท่านก็เลยเอามาก็เลยบนรวย <c oughs> แม่ซิวรีรงคันถ้าเสวยดีเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นน ขอดออกมาแล้วยังมามคาอยู่เจ็ดวันกว่าจะคอดออกมาได้ทุกอยากลำบากเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ส่งพราวิพรามีไปเฝ้าพุตตาขอพรจากพุตต า, าพระพุิยาก็ตราสว่าขอพระนางสุปวาษาซึ่งเป็นพระธิดาของพระสารกฤยาจงคอดบุตรโดยสวัสดี แล้วก็โอรสก็จงสวัสดีไม่มีโรคว่างั้นพระพุทธเจาตราดเพียงแค่นั้นก็คลอดออกมาปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกพอคลอดออกมาแล้วเท่านั้น่ะสำราญสาสางเ็ดวันเท่านั้นเดินได้เลยก็ในมลพิสุสง์มีพุทธเจ้าเป็นประธานไปถานพัตตาหาร ลูกชายของนางสามารถกองน้ำถวายที่สุส่งได้พออยู่ในท้องแม่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอีกพอคลอดออกมาก็โตรเร็วเดินได้เร็วโดวยทำงานอะไรต่างๆได้ไดเร็วด้วย ล, ลูกเรียกว่าลูกเป็นผู้ที่สร้างบรารมีพระสีวลีท่านก็สร้างบรารมีมา ที่เป็นกรรมอย่างนั้นก็เพราะว่าสมัยหนึ่งพระเชวรีนั้นเป็นพระราชาแล้วก็พระมารดาก็เป็น <c oughs> ราชินีของพระราชาซึ่งเป็นพระราชาบิดานพอพระราชาบิดาสวรรคตแล้วก็พระราชานั้นก่ยกกองทัพที่ไปล้อมเมืองเมืองหนึ่งล้อมเมืองไว้ได้เจ็ดปีเจ็ดเดือน ได้เจ็ดเดือนล้อมแต่ว่าล้อมไว้เฉพาะประตูเมืองประตูเมืองใหญ่ๆประตูเล็กๆไม่ได้ล้อมไม่ได้ปิดชาวเมืองทั้งหลายาก็กลับไปออกประตูน้อยนะ่อไปสว่างหากินะของเขาต่อมาถ้าชนมีได้ทราบว่าพระโอรสไปทาอะไรกรก็ทูลให้ทราบว่าพระโอรสนําไปล้อมเมืองดีเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วแต่ยังไม่สาเร็จ นายที่มี้ก็บอกว่าพระมารดาก็บอกออก็โกูกเราไม่ปิดประตูน้อยเนี่ยไปเปิดประตูน้อยก็ปิดประตูน้อยใชสิปิดให้มันหมดประตูอย่ายให้เขาออกเห็นว่าปิดประตูน้อยทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนหมูชาเมืองถาลายมาสามารถออกจากเมืองได้ก่็จับพระราชาตัวเองว่าอาชีวิตใช่แล้วก็เปิดประตูรับเอาพระราชา ซึง้อมเมืองนั้นให้เป็นพระราชาแทนน่ารักกรรมกรรมของภาซิวรีเป็นพระราชาไปกิดเมืองล้อมเมืองกเจ็ดวันเจ็ดปีเจ็ดเดือนส่วนพระมารดานะั้นแ่ลูกชายติดประตูน้อยเจ็ดวันเจ็ดคืนตัวมีโทษมีกรรมก็ลูกออกมาเลยขำคาจะต้องเจ็ดวันสมัยนั้นไป สมัยแพทย์มันไม่เจริญก็เลยเป็นอย่างนั้น้าเป็นสมัยนี้ก็ออก็ะเพอาค้องไปแล้วละ่ะ <c oughs> ผ่าจากท้องไปเลยไม่ต้องคลอดละ่ะอันนี้ว่าถึงกรรมของข้าจีวรีให้ฟังเวะลาก็ว่าถึงวาจาสัต่พุติเจ้าให้พระพุทธเจ้าให้ด้วยอำนาจพุทธานุภาพจึงเป็นสำเร็จเป็นอย่างนั้น แล้วก็อย่างหนึ่งท่านวาสัจจะอธิษฐานที่เราทำไวน้นะก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่จะไปอ้อนวอนธรรมดาธรรมดาไม่มีไม่มีสัจจะอันใดอันหนึ่งเป็นเครื่องระลึลกแล้วไม่สำเร็จตัวอย่างที่ทานสอนให้เราตั้งสัจจะ ต้องนึกถึงสิ่งที่ดีที่เราก็ททำที่เราประกอบลงไปแล้วแล้วกินตั้งสัจจาลงไปในคำที่เราเอาสวดทาวัดทาวัดค่ำเนี่ยที่เราสวดกันนับทเมชรานังอันยังบุระะงงต ร, รโธเมสรานังวรังเอเตนะสัจเจวัชเเนะโสตทีเมโหตุชาวดังว่าสำหรับตัวเองมาโสดทีเม ว่าเพื่อคนหนึ่งว่าโสติเตเตแปลว่าท่านเมแปลว่าเรานั่นแปลหมายความว่านัตถิเมสารนังอันอย่างที่เพื่ออื่นของข้าพเจ้าไม่มีหมายถึงยึดอภุติเจ้าเป็นที่พึ่งพุโทเมสรารนังวรังพระพุทธเจ้าน่ะเป็นพระที่เพื่งประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีสิ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง นี่ตั้งสัตต์ตั้งว่าถึงการที่ตัวเองกระทําว่าระลึกนึกถึง พ, พุ菩提เจ้านะเป็นที่พึ่งเป็นที่นับถือเราจะไม่นับถือพระพุทธเจ้าสิ่งนอกอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งสัจจาลงไปทีนี้อธิฐานไว้ว่าเอเทนะสัจเจนะเอเทนะสัจวัตเจนะด้วยวาจาสัจดีควาหมายถึงด้วยวาจาคํากล่าวที่ตัวเอภ菩提กระทำประสงค์เป็นที่ พึ่งดีเป็นสาระหน้าเหมือนแบบสที่ในโหตูขอความสะอาดดีจงมีแก่เข้าไปแจาหรือขอหนึ่ง อ, อันใดให้มันมีกแ ก, กะเราโกดายมันอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนี้ถ้าว่าเรายึดอภติเจ้าเป็นที่พึ่งจริงใจเข้าถึงอภ菩提เจ้าแล้วจริงเยี่ยสาเร็จทันดี แต่ถ้าใจของเรามันไม่ถึงอย่างนั้นว่าเอาอ่ะมันก็ไปสําเร็จนะทีเมสลังอัญญ์ธรรมโมเมสาวานังวรังที่พึ่งของข้าไปเจ้ามันมีพระธรรมเป็นที่พึ่งประเสริฐของข้าไปเจ้าเทนะสัจเจวัชเชนะสดทีเมหัวตัวกับตาเหมือกมนการแป่เหมือนกันแต่ว่าเปรี่ยนแต่ว่าพระธรรมพระสงฆ์สังโคเมสาวนังกมืองกันเปลี่ยนจะพระพุทธ เปียนพระธรรมประสงค์ไปตามบท น, นั้นแล้วตั้งสัตว์จงไปว่าด้วยวาจาสัตว์นี้กระไมกล่าวถึงคําที่เรานับถือเอาพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นสระที่มึงแน่นอนมั่งคงแล้วตั้งสัตว์จงเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ที่มันจะเป็นไปได้จะถึงได้ใจต้องเข้าถึงพุทธธรรมพระสงค์จริงๆเข้าถึงพุทธธรรมประสงค์เป็นยางไง ถ้าใจของเราได้รับความสงบเป็นสมาธิแล้วเมือ่อใดจึงเืียว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าใจยังไม่สงบไ ม, ม่ถึถงหรอกมีแต่คํากล่าวเท่านั้นพระเจ้าขอถึงพุทติจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์มีแต่คำกล่าวนะอนาคตในขณะที่กล่าวนั่นก็คงจะคงจะถึงใน สมัยที่พระพุทธเจ้าอย่างทรงชนมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบาบาสิกาไปรักษาศีลบสตน์แกนับถือพุทธธรรมประสงค์เีาหวยดด้วยคำกล่าวด้วยคำเลือดตลอดแต่ว่าคงจใจได้รับความสงบแลนึ่งจิตวันหนึ่งแกก็จะจะข้ามผ้านน้ำข้ามในน้ำคงคาไปวัดสกศธา ก็เลยพอมีเมือเรือมีแพ ท, ที่จ ะ, ะข้ามแล้วก็รที่ฐานจิตด้วยอำนาจที่ข้าพรเจ้ า, านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารที่เพื่งอย่งแน่นอนมั่นคงนี่น้ำขออย่ามันเป็นน้ำแต่ก็จะใบข้าพรเจ้าจะลุยน้ำผ่านน้ำไปวางเขาแก้ตั้งสะจันนน้นวแน่งๆก้าวเดินเหยียบน้ำน้ำเหมือนกับน้ำแข็งนั่นเลยจะเหยียบ เดินไปเดินไปเกือบจะก็ะถึงฝั่งโน้นแล้วใจแวบเกี่ยวไปคิดถึงลูกสาวที่อยู่บ้านขาพันหล่มลงไปในน้ำอย่างนันจมลงไปเกือบจบนึกเออแตนึกพุทโธธรรมโมสังโฆขึ้นมาใหม่ก็จะเหยียบขึ้นน้ําขึ้นได้อยงนั้นนึกด้วยกําลังใจที่แกแน่วแน่นแต่เนึกพุทโธและละทธาแกกรณีนี้ลืมว่าพุทโธ ใ, ใจแวบ คือบาโูกสาวอ่ท่บานกลัวลูกสาวไปอันตรายเลยขาจมลงไปในน้ำดูสึกตัวก็นึกพุทโธขึ้นมาใหม่ก็ข้ามได้แลอีกอันหนึ่งดูเป็นนาง ร, รมณีชื่อว่าธ น, นชานีอันนี้ก็เหมือนกันนับถือวุฒิธรรมพระสงค์ครั้งแรกเจอกันไป นั่งอยู่ท้ายบริษัทไปกับเพื่อนๆกันนะั่นแหละผู้หญิงผู้หญิงทั้งหลายเขาชวนกันไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าไปกับเขาฟังไปฟังมาแก่ก็เลยทําใจให้สงบเป็นสมาธิลงได้เลยสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแน่นั้นมาก็นับถือพุทธเจ้าแกจะตก อ, อกตกใจอย่างได้อย่างหนึ่ง หรือแก่ทําอะไรพลาดทั้งแกก็วัานโามตระทุกค้งไปสมัยก่อนนั้นท่านวันโมตระมาในสมัยนี้ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆใอย่างบางทีเราสอนลูกสอนหลานมาว่าเอออย่งนอย่งต่างๆ ก, ก็ให้พุทโธธัมโมสังโคนะเขาก็เลยถือเป็นนิสัยลูกหลานก็ถือนิสัยเขาพ่อแม่บอกว่าพุทโธก็พุทโธ อ, อย่างนั้นอะ่ะแต่ไม่รู้ความหมายว่าพุทโธเป็นยังไง คนสุดท้ายเลยมันตั้งตั้งกับพุโทโธธโมสังโมแต่ว่าพุโทโธของนางทนานัชามีแต่น้ําวานโมนตัศ ก, ก์ทรทรคล้ายกับพุทโธธรโมสังโฆหลายๆใช้ได้เหมือนกันเนี่ยนโมตัศก์แปลว่าความนอบน้อมนโมแปลว่านอบน้อมตักตก์พระครวโตแต่พระภูมยภาพเจ้าระหันต์กัน นพราะนันโมตระสาแว่าตัวนันโมตราสาด้วยหรือว่าความนอบน้อมจงของข้าพเจ้าจงมีแดบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบารานผู้ไกลจัดกิเลสเนียความเอาอย่างนั้นวันหนึ่งไอ้ฝ่ายพราหมณ์นั้นถือศาสนาพราหมณ์วันหนึ่งก็แต่ตั้งใจว่าจะเลี้ยงหมู่สมาชิกพราม์ทั้งหลาย ก็สั่งให้เตรียมอาหารการกินอย่างใหญ่โตอ่ะเชิญพามทั้งหลายพามทั้งหลายก็มากันแต่ก็ไปบอกนางพามานีซึ่งเป็นภรรยาบอกว่าเธออย่าไปกล่าวถึงอความคุณความดีของพระสมณโคโดมให้เขาได้ยิน่ะมพามทั้งหลายเขากำลังเกียดแต่จะไปเต่งถึงคุณนั้นนั่นอีกนานางพามานีก็เอยไม่ได้ตอบโต้อะไรนะ ก็พอดีว่าหมูพามกำเข้าที่นั่งกำลังเขาก็จัดอาหารจานๆเขาแจกอาหารเสิร์ฟอาหารเรียบร้อยเขาจะบริโภคอาหารพร้อมกันพามบางคนกำลังตัดเอาเอาซ้อนตัดเวยแขกกินเขามันบ อ, อซ้อนดอกเอามือขยหนุนหนวดมันติดหนวดพะลุพลังเนี่ย บ่อยช้อนนะเชินหมือนนอมือบนในช้อนนึงกำลังจะเปิดข้าวใส่ตากเชนนา่งามานีถือทะีาพมามันหลุดขึ้นก้กรองก้องนี่ไม่ใช่ตับพีพอแกพะเลิดล้มีกตะเ พ, พอพะเลาดแล้วก็ตะพีมก็หลุดตะกี้ พอพเลิดลงฐานล่างเ ก, กินคุกเขาก้าวางหม้อข้าวกับคุกเขาก้าไปทางพุทธเจ้าวัดเชตวันกับนโมตตจาวางขนาดตาพามทางหลายที่กําลังจะกินข้าว แ, แต่ตึงเมื่อได้กินขา้าวพระคาบางคน ก, ก็จะยกเกิข้าวใส่ปากอยู่แล้ววัในใสัยวิ่งหนีกันจ้าระวันตาพามผู้เป็นสามีกับปรว่ทยาอีกาและกันในคุณบอกแล้ว ทำไมมึงจึงกล่าวคุณความดีของพระสัมมาสัเอาละกูจะไปด่าพระสัมมาสัโพดมให้ดีอให้ดูนางพามานีก็บอกเออเชิญเธอท่านพามไปถามปัญหาพุทธเจ้านะเรายังบ่เห็นผู้ใดๆที่จะโตวาทะวาทีให้พระพุทธเจ้าในจนมุมได้แล้วท่านไปถามเอถอะพามสาพามกับใยใหญ่ เดิปึงปังปึงปัง ป, ง ป, งปึงปังไพอดีพระพุทดีจ้าประทับอยู่ที่พักกลางวันอยู่ที่ต้นไม้พระพามก็เดิ น, นถึงถึงถึงแต่ก็ยืนขึงบอ่าหอ้ประกาบอย่างนั้นนะพระสมณโคดมข้าพระเจ้าจะถามปัญหากับท่าน<ะ>พุทธเจาก็ถามมาเธอพามแต่ถามอะไรก็ถามได้ทางก็ถามว่าพระสมณโคดมนิยม การฆ่าอะไรจรึงจะอยู่เป็นสุขการฆ่าอะไรจรึงจะไม่เศร้าโศกว่างังนจะถามพระโพธิจเจ้าวระตราเตาพามฆ่าความโกรธได้สิมันจะไม่เศร้าโศกว่างเง น, นตอบปัญหาเขข้ อ, อาตาพามแต่ตาพามมันกําลังโกรธมานั่นพระโพธเจา้ามาตอบถูกจุดทันที ความโกด็อกจะอยู่เป็นทุกฆ่าความโกด็อกก็จะไม่ชาวโชกถูกดีเซะด้วยดาพารมถูกคาถาเดียวถ้านยอมเลยว่าต้องถามอีกพระติเจ้าแนะนําำพ่มสอนเอาเอ า, เอาจนดาพามนาเข้าบวชเข้าบวชแล้วก็บบำเพ็ญสมณธรรก็สําเร็จละหานไปอีกเหมือนกันน้องชายของพามรู้ข่าวว่าพี่ชายตามไปด่าพระติเจ้าอีก ปกติจักเขาสอนเอาอีกน้องชายคนที่สองมาเอีกดาอีกสอนให้ได้มากได้ผลอีกนี่ว่านามหมายความว่าพวกเหล่านั้นไม่มีบาลมีมันมีแต่พวกที่มีบาลมีที่มันถือแล้วที่แต่มันมีที่ถิดถ้าไม่ชอบหน้านด่ามันเอาเองเรียกว่าเฉาของพวกนี้มันเร็วมากปกติคนที่โกรธนั้นเขาจะเฉาเร็ว พอได้ยินได้ฟังเพราะอะไรพับตอ น, นเข้าใจทันทีก็โกรธทันทีแต่ประเภทที่เข้าใจช้าเป็นคนที่โกรธมุ่งการจากเข้าใจช้าเขาด่าไม่รู้เรื่องแต่คนด่าบางคนเขามีมีอุบายวิธีด่า<ม>ก็เลยไม่รู้เรื่องแต่มาคิดรู้ทีหลังว่าโกรธทีหลังนี่ตัวอย่างาหลังต้าองคหนึ่งอยู่ในวัดกําลังกวาดลานวัดอยู่ ไอ้พุงของหลวงตานมันลงคุงคุงโตอ่ะนั่นแล้วก็เอาผ้ามัดคุงของแกแล้วก็กวาดลานวัดจ่ากแก่คนหนึ่งก็เดินไปเห็นหลวงตานี่ยมันพุงโลพุงใหญ่เขาเลยแกล้งจะว่าประชดหลวงตาเลยนะหลวลงตาหลวงตาไอ้โพตรงนี้เขาแปลว่ายังไงกันวะ หลงตากันเนไม่ออกไอ้โพตรงมันแปลไวยังไ mm hmm. หงหนั้นคู่แคร น, นั้นแกก็เดินผ่านไปแล้วก็ไปในบ้านหลงตาก็กวาดไปคิดไปกวาดไปคิดไปก็มาเนึกออกโอโโพตรงก็ผงโตที่มันดา่าเรานี่วะก็อด mm hmm. ื่อดมาดันทีได้ไม่กวาดก็ตามหลังไปไปเห็นตาแก่เมื่อยบ้านก็เอ า, าด้าไม่กวาดตะตีหัวเพาะนี่หลโพตรงหัว กรธขึ้นทีหลังเพราะมันเข้าใจทีหลัง <c oughs> อันนี้ตัวอย่างเยอะแยะนียกว่าชาวไม่ไวคนประเภทนั้นชาวไม่ไวคนประเภทชาวไวเพราะยี่ได้ยินภาพแต่บางทีเขาไม่ได้ด่าชักหน่อยนึงเข้าใจผิดก็โกดขึ้นมาเหมือนกันอาว่าประรามปามไปที่ว่านี้ก็ว่าเพียงจุดหมายว่าในการอาธิษฐานจิตเพื่อจะให้ ศักดสิทธ์หรือเป็นที่เราต้องการใจของเราต้องเข้าถึงจึิงศักดสิทธิ์ยัจะอ้อนวอนขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ช่วยยังช่วยอะไรไม่ได้นั่นไม่ช่วยก็เลยหรือว่าพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นั้นนะท่านจะอคติก็ไม่รู้อะเพราะว่าเวลาทุกอย่างเราหมากโดยมโนุษย์กําลัง ทุกกำลังอยากว่าอ้อนวอนหาพู้ธรรพอทำพอสง์แล้วล่ะแต่มันเป็นอะไรและไม่เคยนึกถึงท่านก็เลยขี้เกียจช่วยบอก็อ้อมนำนามันน่ะทุกยากระบาดช้อมนำนาท่านจะคงคิดอย่างนั้นมัง้งเพราะว่าเวลาทุกยากระบาดกินไปนึกถึงท่านไปกล่าวฮะก่าวอ้อนวอนท่านให้ช่วยแต่เวลาปกติส บ, สบายสบายสบายแล้วกิกนเหล้ากงเหล้าสนุกสนานไป เวลาไม่น่าหรอกเป็นเวลาไม่มีทุกข์ถ้ามีทุกข์แล้วก็อ้อนวอนขออันนี้ก็ว่าเป็นศาสนาเฉยๆหรอกอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจ่ายของเรายัางไม่เข้าถึงงั้นทุกคนที่ปฏิบัติทมต้องให้ใจของเราเข้าถึงเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้ว ม, มันก็เป็นที่พึ่งทิพย์เราไม่ต้องไปอ้อนวอนท่านออกมันคุ้มครองรักษาเอง รวมความแล้วเรารักษาเราเนะ่ะใจนะั่งเรารักษาตัวเองไม่ใช่เตนใจเขราใจเข้าพุทโธแต่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นพุทโธก็คือเมืนน่อนีที่เราพุทโธก็คือเราเองคือใจนะั่นแหะพุทโธอ่ะตัวพุทโธอ่ะตัวธรรมโมก็คือตัวเตือนตื่สนสำปัญญายนเรารู้ตัวเตื่นตัวสังของก็คือเรากําลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กำลังปฏิบัติดีตัง้งหนดีนั่นคุณของพระสงค์เข้าถึงใจแล้วเ <c oughs> มื่อเสียงสมาธิปัญญาเกิดห้ตั ว, วเรานั้นก็เป็นพระสงค์ขึ้นมาแล้วเป็นอริยสงฆ์ขึ้นมาแล้วนคุณของ